อดูหนังดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกแล้ดูอันไรก็ตามจะพิจารณาอัะไรก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันขอให้เป็นความถนดัดแห่งการพิจารณาเถิดแล้วจะซึมซาบไปทั่วถึงกันหมดในบรรดา ว, าวิวาทที่มีของูายในตัวของเราเพราะเขา้าพอเข้าใจหนึ่งจะเข้าใจไปเรื่อยแล้วซึมซาบไปเรี่ยอยินตลอดทั่วถึงนี่คือการพิจารณาปัญหาดูหนังดูตั้งแต่ผิวเข้าไป ดูเข้าไปแล้วดูออกมาดูก็ผิวหนังข้างนอกกำหนังข้างในเป็นอย่างไงสัมมันนักต่างกันไหมความสะอาดความสกปรกต่างกันไหมแล้วดูเข้าไปถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกถึงภายในร่างกายทุกส่วนมันมีอันไหนในภายในทําไมจิตใจเป็นหนึ่งซิงค์ซงค์ถือซิงครักซิงค์ชอบซิงค์ข้งหนอนอมนักหนา ไม่มีสิ่งใดที่จะรักสมน์เป็นที่รักสมนยิ่งกว่าร่างกายของเราเป็นพวกเหตุหลักสิ่งเหล่านั้นก็เป็นธาตุเป็นวัตถุธาตุอันอนึ่งเหมือนกันนอกจากร่างกายไปแล้วของเราไปแล้วก็มีธาตุดินธ า, นานนตุน้ำธาตุดวงธาตุไฟเหมือนกันแต่ไม่เห็นยิงมากมาเหมือนกับยึดร่างกายซึ่งเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นพวเห็นไหลักคนะหาหาเหตุหลัก ท่นเป็นดินแค่แคน้ําแค่แค่ลมแค่แค่ไปแค้แค่ผสมกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันเอนี่ได้พิจารณาจนซึง้งจึงได้ น, านออํามาสั่งสอนเพื่อพิจาราเข้าใจจริงๆซึ้งจริงๆหาที่ค้างนั่นแหละจนเป็นเรื่องกระจัดใจว่าอ๋อนี่เป็นก้อนธาตุเท่านั้นเราก็เอาใส่ใเฉยๆเนื่อความสําคัญของจิตที่เคยรุ่มหลวงมาเป็นเวลานาน ว่ากายเป็นเรากายเป็นของเราวันนี้เป็นเราอนี้เป็นของเราเมื่อเรายึดสิ่นี้ว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรๆก็พลอยเป็นเราเสนอเลยต้องแบต้องถามต้องยึดต้องถือกัน้ตหมดเวลาเป็นสรรพยาบคายานของจิตประเภทนี้ที่มีอิริศผัวพันมีความสามความเป็นหนุนโตมาที่นี่พิจารณาให้เยอะเยอะให้สหนทัดเจ ดูหนังเราแยกหนังออกเอ า, เ, อาเนื้อเรเอาเ อ, าเอ็นเรากระดู ก, กเราส่วนใดก็ตามถที่มีอยู่ภายในร่างกายให้พิจารณาให้ซึงสติตั้งครับปรรดาที่กําลังทํางานที่กําลังจ่ายจองให้ทราบว่าตนจ่ายจองตนกําลังพินิจพิจารณาอยู่โดยลําดับ ด, ด้วยสติเป็นผู้ควบคุมงานดูให้ดีกําหนด เป็นภาพสมมุติเพราะติดมันก็ติดสมมุติติดสิ่งภายนอกก็เป็นติดเป็นภาคสมมุติเราพิจารณาทางด้านปัญญาเบื้องต้นเขาเป็นสัญญาอารมณ์ประก่อบ<ม>สัญญาแท่สัญญาสัญญาความรักกันมันหมายว่าเป็นสิ่งที่หน้ารักหน้าติดนั่นเป็นสัญญาฝ่ายสมุทัยสัญญาหรือปัญญาเป็นความมั่นหมายแยกแยะนนหรอกว่า ไม่เป็นสิ่งที่น่าลถ้าเป็นสิ่งที่หน้าเชื่อใจเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายแย่กันอย่านี้แล้วกับ ก, การถึงปัญญาขึ้นมานานเท่นานั้นเข้าก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้เมื่อปัญญาขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วมองดูอะไรมันทะลุผุปโปรยไปหมดไม่มีอะไรที่จะกีดขวางปัญญาได้เลยตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้นั้นไม่ผิดในที่มืดก็ไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึง แต่ปัญญานี่ไม่ว่ามือวัาแส้ทะลุไปหมดความพากันพูดมาน่านปัญญาส <c oughs> ติเอาให้ดีเดินไปมาที่ไหนการพูดการจาให้มีสติสตางประกอบอยู่กับตัวเวลาเราจะประกอบความเพียนภาพสมาธิก็าตามภาพปัญญาก็าตามมันถึงเป็นประดาอย่างใจหวังและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับที่เราต่อยสติอยู่มาก ถึงเวลาจะมาทำํำค่อยประมวลสติมาได้คู่เดียวก็เพ่งไปเสียประมวลเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียร่างเข้ามาคู่เดียวก็เพ่งไปเสียเลยตะครุบตั้งแต่สติงานเลยไม่ได้ทำเพราะสติมันยิ่งกว่าเลยวมันหมดไปหมดไปหายเงียบหายเงียบดื้อดืด้อเลยเพราะการไม่สนใจรักษาสติให้มีความติดต่อ ดูโดยตรงจนเป็นความเคยชินเมื่อสติมีความเคยชินแล้วบางครับงานได้จริงบางครับงานก็อยู่กับงานจริงๆงานก็เป็นเหตุเป็นผลขึ้นมานไม่อยากจะเจ็บกำหนดพิจงงารณามันแตกกระจายถึดเลยกำหนดถน้าหลบหนังออกมาเชืออ เนื้ออะไรออกไปตัดเส้นตัดถึงเข้าไปดูเจ้าของกำหนดเจ้าขอ ง, ของก็ดีกำหนดรูปภายนอกก็ได้เช่นเดียวกั น, นขนาดที่มันเหลือแต่โครงก็ดูเนื้อหนังมังสารสับไตใช้คุณขาดกระทุยระจาต่างไปแล้วเป็นยังไงเป็นคนหมายหนะักเป็นชากเป็นบุคคลไหมงั่นน่ะอืเป็นเราเป็นเขาไม่งั่นน่ะปัญญาต้องทราบเจ้าของด้วย หน่าลักไมน่น่าหนักเป็นของปฏิคูลหรือของไม่ปฏิคูลหน่าเกียดหรือน่ารักเอาดู น, นะแยกใ้ภายในมันก็เป็นความคุยอย่างนั้นเวลามาสมมุติกระจายออกไปทำลายออกไปดูอยู่ภายในร่างกายมันก็เป็นตัวปฏิคูลสโครกอย่างนั้นถ้าว่าธาตุก็ธาตุธาตุเป็นส่วนละเอียดไปเรามันติดอย่างเรียูตรงนี้ ดูตามที่สมมุติึว่าว่าหนังว่าเ น, นื้อ ว, ว่าเอ็นว่ากระดูกว่าจับใจใส่ผู้อาหออารเหมาอาหารกลับให้ดูตรงนี้หมดนี่ในตัวของเมันก็เป็นภาชนะสนหรับใส่สิ้งร้อนเห็นชัดเจนแล้วจนปิดมีความเคยชินทั้หนดดูตัวเมื่อไหร่มันก็มีแต่อย่างนั้นมีแต่ของปฏิกูลเกิดตัวอะ อ, อกจากนั้นแยกไปธาตุทั้งหนดไปที่ไหนก็มีแต่ภาตุเกิดตัว ธาตุบินธาตุนั่งธาตุลมทา้งสิเมื่อมันชินเข้าไปชินเข้าไปจะดูกาหนดดูเป็นอสุภาอทุพรางความเมื่อสวยเมืองามความประดุขนตัวโลกมันก็ประจักษ์ใจนันจะกาหนดไปทางธาตุว่านั้นก็ธาตุนี้ก่อธาตุมันก็ถึงเป็นธาตุเป็นชัดเจตพระขันรูปประขันก็คือธาตุเองรูปปรรูปประขันนี่คือธาตุดี เวทนาสัญญาสัญญสังขารสัญญาณมันก็เป็นธาตุแต่ละอย่างเลยอย่าง<ม>เห็นสัญญาธาตุอันนี้เป็นต้นนะอันบอกไว้แล้วในปรัชนาภูมินันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับของนั้ น, นเป็นของไม่แน่นอน<ม>ปิดผู้รู้นั้นน่ะอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ดูนั้นไม่ดับเอาหลักใหญ่ตรงนี้ไปนะ เมื่อนำพิจารณาแยกแยสิ่งนี้อยู่มาหยุดมาถอยแล้วจิตกับสิ่งนี้จะแยกกันออกโดยลำหนักลำหนักจนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้รู้อาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่เพียงเท่านันไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า น, นี้จึงไม่เห็นมีคุณค่าอันสําคัญ พอที่จะเทิดทูนเป็นเกินเหตุเกินถึงถึงกับสร้างความของโดยงเดือดร้อนแทบจะตกเมื่อทราบตันตามหลักความจริงด้วยทางปัญญาแล้วนั้นระหว่างขันกับจิตอยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เช่นพิจารณาธาตุขันรู้เท่าทันหมดจนปล่อยวางโดยจิ้นเชิงกระทั่งถึงอวิชชาซึ่งเป็นตัวการใหญ่สําคันร่วงลงอยู่ภาณาิตก็ถูกทําลายไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ต้นรุ่งแล้ว ก็อยู่ก็อยู่กันดั่งนั้นอยู่อย่างสง่าผ่าเผยอีกอันนึ่ง่ะอยู่อย่างไม่อัดไม่อั้นกับสิ่งอันใดไม่จนอกอบไม่จนอยูแบบไม่มีอนาคตไม่มีอดีตปัจจุบันก็รู้เท่าด้วยความสง่าผ่าเผยแห่งสิที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นทัติของท่านผู้สิ้นสิเลแล้วจึงไม่มีอันใดจะมาคาดหมายได้เลยเพราะอนาคตท่านก็ไม่มท่านไม่ไปยิด อนาคตก็เป็นการเป็ฐานที่มันเป็นสมมติเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้วกล้วนแล้วต่งาง ก, กองสมมติปัจจุบันที่อาศัยกันอยู่เวลานี้เขาเป็นกองสมมติเนี่ยจิตกะรู้ตลอดทัวถึงจะมันทราบจะเป็นยป่าเมื่อมีสิ่งใดทิ้งแล้ว เ, เราพูดพรจะเข้าใจกันได้เนื่นองมาจากความสง่าผ่าเผยอยู่ภายาในตัวเองคือความรู้นความรู้ล้วน ความหนักอะไรก็หมดทุนพาราฮเวปันตักขั้นผาหนักขันห้าด้วยการบำรุงรักษามันนัพอทำหนักไอหนักด้วยอุปาทานความมึดมั่นถึงมันมันด้วยนี่สิมันหนักมากทสุดแั้นถ้ากาจะหนักก็มันหนักเฉพาะการดูแลรักษาดูพอถึงการนีข้ขกันก็ปล่อยทิ้งไว้ตามสภาพาสมมติทั้งหลายเพีย ส่วนที่เป็นมิมุตก็หลุดพ้นไปเสียต่อความรับผิดชอบทั้งอระการทั้งปวนนั่งถนัดเป็นบรมสุขขอให้ท่านทั้งหลายมีความกระยินต่อธรรมที่เป็นบรมสุขซึ่งจะไม่นอกเหนือไปจากใจของเราทุกทุกกฎทุกทุ ก, ทกมเมื่อความเพียนถึงที่แล้วเราจะไม่ถามผู้ใดปจัจจตังเวริจัโบวิโยหหนึ่ง สัรทิฏิโกนจะพึงเกิดขึ้นปรากฏขึ้นประจักกับผู้ปฏิบัติธรรมตามคันนั้นๆและขั้นทำมันสมบูร แ, แล้วโดยไม่ต้องสงสัย น, นี่เป็นหลักลับหลักขอให้พาผตหนักในความทักเพียรนมาต้องการแต่ผลความทักเพียรขึ้นเป็นเหตุที่จะให้ถึงผล ย่อหมนันเป็นแตนไม่ได้ร <c oughs> ้านความภักเพียนจึงเป็นของสองาคัญเรารากผลกบรากเหตุให้เท่ากันเราต้องการผลคือสิ่งที่พึนหวังนั้นในขณะเดียวกันก็ต้องการทำเหตุให้เต็นถูถึงจะบรรลุถึงถึงอันสมบูรได้กาตั้งใจจริงจึง ไปสนใจกับย่ำเวลากับโลกสองสารอันใดโลกนี้มีมีทางที่เห็นนี่แหละไม่เกินอันนี้ไปหน้าเลยอืตาพอตื่นขึ้นมาตาก็เห็นหูก็ยินเครื่องสัมผัสต่างๆก็มาสัมผัสืตัวเราตลอกเวลาแล้วอันใดที่มาสัมผัสสัมพันธ์รู้เขียนสิงแล้วเครื่องสัมผัส ดวยเนี้ยมันจะ ผ, นผ่านไปผ่านไปผ่านไปแล้วได้อะไรมาเป็นสาระแก่นสารบ้างพอเราะจะเสียดายความคิดความตุ่กับจิต ท, ทั้งหลายเหล่านี้ล่ะมันมีแต่เรื่องผ่านไปผ่านไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ขาดทุนและเพื่อตัดกังวลกับสิ่งนี้จึงให้คิจารณาความคิดความตุ่ของจิตถึงเวลาจะดูจิต ใ, ให้ดูมันตุงเรื่องอะไรอะไรสัมผัสจิตกับเพื่อขึ้นมา มันรู้ได้ทันรู้กระทับกระทบตาสัมผัสเอาถึงจิตกระเทือนถึงจิตรับรู้เสียงรับรู้ถึงจิตอะไรรับรู้ถึงจิตพอจิตก็ะเพื่อมพอรู้เท่าทันรู้เท่าทันสิ่งนั้นเข้าให้เป็นภาพไม่เป็นอารมณ์อารมณ์หลอกลวงตัวเองได้เพราะถ้าติดถ่านสังขาตรตูงขึ้นจะให้เป็นภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่ตูงขึ้นไม่ทันเลยพอแยกขึ้นมาสติถ่านมันก็ดับไปเสียปัญญาถ่านขาดันเลยขาดไปเลย Current, ท่านดูด้วยอย่างนี้หนพยายามท่านสิ่งเหล่านี้จะไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้จะไม่นอกเหนือไปจากท่าปีติปัญญาสัจธรรมของเตือนองาที่ได้นอย่างเป็นผ pues ิดเต็มใจจะพึงได้ชมสมบัติมันมีคุณค่าโดยลำดับจนกระทั่งถึงมหาสมบัติคือมรรคผลุปทานอยพ่ภายในจิตใจของเรามาอยู่ที่อื่นยาคาบย่างหมายให้ผิดจากหลักความจริงที่พระเจ้าทรงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน จะจะทำอยู่ที่ใดนั่นแ่ละคือมรรคผลยุพานดีสถานจนั้นตามที่เคยแสดงท่านฟังแล้วถ้าจะทำก็คือทุกข์กับสมุทัยนี่เป็นเครื่องติดเบามรรคผลยุพานมรรคคือข้อปฏิบัติ์มีสีมาที่ปัญญาป็นต้นเป็นเครื่องกําจัดตัดตาวรูบุกเบิดสมุทัยที่เป็นสื่อทุรกุงหลังนี่ให้ออกไปได้โดยลำดับต่ำก็เปิดโล่งต่ำ ไม่มีอะไรเลย น, ะนี่รู้ว่าคือลำดับเทคนไม่ต้องบอกมันเป็นผลของมรดกที่ทำงานขึ้นมมันเป็นคู่เทียงกันเช่นเดียวกับรับท า, านกับความอื่มนี่แหละการรับทานกับความอื่มก็อื่นไปโดยลำดับลำดับรับทานเดิมดับอิมเดิมน่ะทุกคือเกิดจากความหิวก็ดับไปเดิมลำดับเช่นเดียวกันนม่มีเงนะื <c> ่น <oughs> อย่างผลงนั้นให้เกิดขึ้นโดยหลักธรรมาชาติของตัวเองไม่ผลใดก็ตามไม่เกิดขึ้นจากการคาดการหมายให้พากันจําไว้ให้ถึงจัดจร่งได้ที่เราเคยเป็นมาแล้วเราเป็นครูสอนเราแล้วนำมาอสอนนือเพืไ่ไม่ให้ยุดอารมณ์ของตัวเองผลงตัวเองที่เกิดขึ้นเช่นวันนี้พิจนาน แชืสว่างทั้งหมดภายใ น, นสร้างฐานสงสยัยจิตมีความสงบแน่แน่แนแนและเอียดละออไงเป็นต้นวัน น, นี้วาระต่อไปเราจะาเอานี้เป็นอารมณ์ไม่ได้เอาได้แต่ปฏิปทาเครื่องพิจารณานั่นคือเหตุเราเป็นอย่างนี้เพราะพิจารณาอย่างไรให้จับต้นเหันไว้แต่จะมายึดผลต้นเหตุนัน้น ถ้ามันเป็นปัญญาลมอยู่มันก็ไม่เหมาะในที่นี้คืเรียกวิปัญญาเป็นของสํงงาคนะัญมากคือมันเกิดขึ้นมาเองแม้จะเหมือนเก่าก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาในหลับปิดวันวนแล้วมันก็เป็นของใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาด้วยความคคิดว่าเราเคยพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะไปพิจารณาอย่างนั้นอย่างนั้นมันพ้นไปจากการคาดผลอีกในขณะเดียวกันม็ได้เหมือนกัน เพนัปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันที่พิจารณามันจะเหมือนเก่าหรือเหมือนก็ถือรับปัจจุบันไปอย่างนั้นไม่เป็นไรอีกเดีย้คืบไ ป, เ, ปเรื่อยๆเลยนี่จะเคยพิจารณาเช่นอยาเวลาเอาเป็นเอาตายเอากันจ ร, ริงจังนี่คือว่านั่งกระ ล, ล่ำลุงเพราะความเพียร น, นั่งกล่ำลุงนี้ต้องหนักมากเลียสำหรับผมเอง มันเคยเห็นทุกไดก้หยุดพื้นกัะหนัำมันแต่มันก็ผ่านไปได้อย่างน่าประจัญด้วยอำนาจของสติปัญญามันโหน ท, ที่ไม่ยอมออกเลยทุกมากเท่าไรยิ่งหนลงไปที่ทุกทุกมันมีมากเท่าไรสติปัญญามันไม่มันไม่นอนใจนอนไม่ได้นี่อ้านิ่งยั้ทุกเจะมาหายเท่าไรยิ่งเพิ่มนนหนักสมุทยัยจะอยากให้หายไม่ได้ อาหารไม่หายก็ตามขอรู้ตามควงมถี่ของมันนี่เป็นหลักสําคัญของผู้ที่เจริญมาเยีนยงยีกันหน่อยไม string, water, ่หย็ดไม่ถอยดูเวทนาจ้องดูเวทนานต้องมีทักเะเยแล้วจ้องดูในสิ่งที่เวทนาเขาจะพาดพิงเช่นเส้นมั่งเจ็บเป็นที่ตรงไหนมั่งมากๆกระดูกที่ตรงไหนมั่งเส่นเหมือนกระดูกก็แตกนี้เป็นต้นนะ แล้วเอากระดูกมาเทียบกับเวทนาดูมันเหมือนกันเียกเยอะแยะแยกเยอะโยกย้อนไปมาอยู่พิจารณาจนออกเทียบเทียมไมได้ทุกสัตว์ทุกส่วนนี่เวทนามันก็จริงทุกเวทนาโอมันตัตแต่ทุกเวทนามันไม่มีความหมายของมันเลยเนี่ยมันรู้ทันเลยมันเหมเหมือนกับไฟมันจะส่งเปรยขึ้นขึ้นจุดไฟพอจาง ไฟนั้นไม่ไม่ทราบความหมายตัวเลยว่าร้องหรือเหย็นนะเขาฟืนที่ถูกไฟไหม้มันก็ไม่ทราบความหมายมันทั้งๆที่มันผูกไฟไหม้ขึ้นไม้แผงเสียงแปกปึ้งตั้งป้งตั้งปึ้งตั้งเหมือนมันก็มีอย่างอันแล้วไฟเชื้อไฟนั้เป็นฟืนต้นนั้นมันก็มีความหมายในตัวมันเ นี่เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกร่า ง, างกายของเราทุกส่วนมันเป็นความจริงมันอยูธรรมดาทุกเวทนาเกิดขึ้นในช่องใดเนี่ยใดก็เป็นความจริงตัวมันธรรมดเป็นแสดงว่าจิตเป็นช่องพันนั่งไหนนี่เป็นหลักใหญ่มากเยียมเมื่อแยกเยอะใ้จิตเห็นคักเกณฑ์ตามความจริงเนี่ยจิตก็ถอยตัวเข้ามาทุกเวทนาก็จริงตามทุกเวทนา กายก็จริงตางกายทุกสว่วนจิตก็จริงตามจิตเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วหนึ่งเวทนาลุมดับไปอย่างหายห่วงสองแม้เวทน า, าไม่ดับก็ยิ้มได้อย่างสบายอยู่ในท่ามการกองทุกข์หนึ่งแต่จิตไม่ได้เป็นทุกข์คือกองทุกข์คำว่ากองทุกข์ก็เป็นทุกของอังเยอะแตจังเลยคือเป็นความปริ่มล้นลวนกายก็เป็นความปริ่มล้ลวน จิตก็เป็นความจริงมันดวนเมื่อต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกรองแล้วไม่กระทบเป็น2 อ, อย่างสำหนักเราที่จะพิจารณาเระฉะนถึงกล้าหาญต่อความร่มความตายในขัณะที่จะตายทีู้ทุยกันนาต้องโสมกันมาอย่างเป็นที่ขนาดที่ว่าทนไม่ได้ต้องตายจะเป็นเจตนาขนาดไหนก็เถิดถ้าลงเลิกที่เจตนาเห็นถึงแต่ต้นรู้ถึงแต่ต้นแล้ ว, ลวก็คือเจตนาเป็นสัจธรรมอันเดียวกัน ไม่มีเวทนามน้าไหนจะมาหลอกเราได้ให้เผลอเนื้อเผลอตัวลักสัมรัสสายให้เดยอพร้อมเสียใจได้เลยเพราะวิจนาเป็นของจงีิจงแล้วจิตก็เคยพิจารณาด้วยปัญญาจนถึงความจริงแล้วด้วยกันทุกส่วนทางน่ากายก็สร้างแล้วเป็นของจริงต่างอันต่างจิงเอาแต่ก็แต่แต่จากผลประสมของธาตุเท่านั้นมันสร้างได้อังนั้นนี่เวลาเก็บข้าวและผลุยไม่จะ ด, ดะุดาระราจึงไม่ให้ใครยุ่ง เราไม่เชื่อสิ่งใดไม่แน่ใจกับสิ่งใดยิ่งกว่าความแน่ใจในตัวของเราซึ่งเป็นหลักฐานมั่นคงอย่างชัดเจนภายในใจเราพูดอย่างเต็มปากของเราเป็นงนาที่เคยทูดกับผมกวนเสมอหากว่าเป็นประจำพยาแสงเราแล้วเวลาจะตายแล้วเราโดเขา้าวคูเขาลูกไหนหรือถ้าใดเงื้อมผาใด หิมวัตทุกเข้าในาล้มไม้ล้มใดโดยลําพังคนเดียวของเราเท่านั้นเราเหมาะสมที่สุดสะดวกสบายที่สุดไม่ยุ่งกับอะไรทั้งหมดขนาดติดหนึ่งที่จะคิดออมากเกี่ยวกับเรื่องโรกโลกภาษาสนี้ยแน่ใจว่ามันไม่น่าจะหมุนอยู่กับความจริงอ่ดูความจริงล้วนๆดูอย่างสะดวกสบายดูอย่างสะอาดสะอาเผยไม่ได้ดูด้วยความเสียอกเสียใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงด้วยกันอยู่แล้วโดยสบูชจะเอะไรมาเสียใจ ลาสุด้าก็จอดเอาว ม, มันนะันแล้วก็ต่อยตามสภาพของมันหาห่วงไดนะ้ทีขั้นที่สองจำเป็นต้ออยู่ก็หมู่เพื่อนเลยนะครับถ้าสุดวิสัยแล้วอาอยานม่หมความหมายแล้วอยากเอามาด่งนะก็ยามาดูดเป็นขั้นที่สองถ้าหมดความหมายร่างกายต้ยาเข้าของเลยเลยะก็หยด ต้อิไม่ต้องกินไม่ต้องอะไรทั้งทั้งนั้นต่อแล้วสามสิบห้าสามจนกรอบก็จริงจริงจนตัวแล้วจริห้ามไม่ส่งเสียงอะไรไม่ให้มาแตะต้องกระทั่งล่างคกายต่างองค์ต่างนั่งเงียบซะหนักพิจารณาถ้าจะตรงธรรมะสังเ็ตกระโปรงเสียเรื่องนี้สรงทุกขังว่าตาเมยอยู่ทุกผู้ทุกนานทั้งผู้ที่กําลังจะตายทั้งที่ผู้ที่ไม่เป็นอะไร ก็คือเลืองอันเดียวกันมันมีอยู่ให้กันเป็นไปยังวาระมันจะมาถึงเมื่อไหร่ทั้งนั้ น, นอยู่ด้วยความสงบไม่มาแตะต้องการสมใดสม น, น, นี้เป็นสามวาระมีอันหนึ่งอยาได้เตือนว่าให้ะระลึกสิ่งนั้นให้ระลึกเรื่งพุทโธธรรมโมสังฆเป็นต้นเราไม่ประมาททำแต่ไม่เอาเลือกมายุ่งกับใจเราซึ่งเวลานั้นกําลังทํางานเกี่ยวกับธรรมอย่างเป็นที่แล้วน มือถึงเวลาระแล้วผ่านเป็นที่สุดสบายนี่ละเรียนความจริงให้เห็นความจริงอย่างนี้แล้วจะไม่กะทบกระทัานอะไรเลยเป็นกับตายก็เท่าเดิมอย่างนี้ไม่มีอะไเกิดต่างกันเป็นก็คือท่ากรท่ามันอยู่ด้วยกันกับผูู้ทอนั้งตายก็คือก้อนธาตุมันจะไหลไปลงไปสี่ท่าเดิมของเขาจิตนีกระขอนตัวออกมา จิตอยู่ในขั้นใดภูมิไหก็ไปตามขั้นตามภูมิทั้งหมที่สําร็จแล้วโดยไม่ต้องสงสัยรู้อยู่กับใจวันแน่ใจจะต้องไปขั้นใดขั้นหนึ่งถ้ามันชื่นสุบิมุตฺถานิพาน์แล้วความแน่ใจว่าหมดเรื่องก็ถืงาการพิจารณาเรื่องข้าวหลืองขันในเวลาใดๆไม่ใช่พิจารณาเพื่อชํานะสับสามจิตใจที่มีความรุ่มหลงนี้นะมันเป็นตามาตรฐานเราแน่ใจว่า บรรดาพินาศทั้งหลายท่านเป็นปัิยาใสของท่านที่จะต้องพิจารณ า, า, า, า, าตามความจริงในระหว่างขันธ์กับสิทธิ์ที่มันจะจากกายคือขั้มถัดขั้มตันกับความรู้นั่นส่วความรู้ที่บริสุทธิ์แล้วจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่ตลอดเวลาอาการลิกูทนันไม่มีทางเป็นอือ่นพระพุทธเจ้าท่านทรงเข้าทางเขาหนึ่งตามปฏิยาใสของท่านสองเป็นผู้ท่านสัจดา ต้องวางลวดลายและให้เป็นภูมิักดิ์สดาในวาระสุดท้ายนะแล้บรรดาสาวร่างหลายท่านท่านทางตาตามพิธีแต่งงท่านเห็นดัที่ท่านฟังมั่นท่านพูดแล้วเรามาเขียนได้หมดบางองค์ท่านเดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์นอนนิพพานทําไม่ท่านนี้เป็นนั้นท่านทางตามพิธียต่งงานท่านเพราะเห็นไรเพราะเวทนาทั้งหลาย แม้ถึงขั้นขนาดนั้นก็ไม่สามารถที่จะมาครอบงำจิตั้งท่านที่เป็นทวิสุดที่จิตนั้นให้อยู่ใต้อํานาจแห่งสมมุตินี้ได้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงทําตามความประกงค์ ส, สบายท่านตามอภิรษัยที่ท่านไม่ยากเจ็บไม่เกินแล้วก็ผ่านไปอย่างสบายห่างเงี่ยการเรียนธรรมะให้มันถึงใจอย่างนั้นเลยเงีาฟังแต่คําคย์ไสของคนลอกตัวเองเอยู่เรื่อยปฏิบัติความความจริงมีอยู่ สติปัญญามีอยู่สตางค์ความจริงไม่อยู่ของจริงที่จะพิจารณาเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อทราบความจริงมีอยู่ในกายนาในจิตในธรรมในทุกทุกมุมไทยรุ่นมากนี่เป็นหลัฐานที่รับสติปัญญาให้กลมกลาดถึงกับรู้ความจริงนี้มาโดยหลักจนกระทั่งรู้ความจริงสุดส่วนก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนอย่าคาดอย่าหมายไปที่ไหนนะนักผู้นะักเอาให้เห็นที่ตรงนี้ เขาพี่เ้ารู้ที่มีพิจารณาที่ตรงนี้รู้ตรงนี้เอาอาหารทั้งหมปฏิบัติตรงนี้รู้ที่ตรงไหนรู้ตรงนี้แล้วหายห่วงหมดโล็มีถูรู้แจ้งโลกโลกคืออะไรโลกก็คือโลกแั่งฐานนี่เองนะจิตนีที่เหลือมันอยู่ก็จิตก็เป็นโลกเป็นโลกตามขั้นของโลกตามขั้นของฐานเมื่อหมดไม่มีอะไรเหลือขันจิตแล้วนั่นละหมดแล้วเรื่องโลกเริ่องสมมติหมดโดยการทั้งหมด ท่านดูกับสมม ต, ติพิจนาตต่าง้ท่านจึงต้องเดินจนจมนั่งสมสาธิภาวนาเพื่พอเป็นิหารธรรมความอยู่สะดวกสบาระหว่างท่นขาิตค้ครองตัวอยู่ไปท่านไม่มีอะไรที่จะนผ่อนคลาที่ยกตัวนั้นตัวนี้นเหมือนแต่ก่อนมาพิานานี้ผิดกันเป็นวิหารําไป เ, เลเยเราไปสงสายท่านจมั่นแต่ก่อนเราเป็นเรื่องยอมไปก้าขัา น, นเอาสนิทเลยในขณะที่ท่า น, นืม อยู่บ้านผูกยังไม่ไไปสกคนบางทีมีลักษณะเหมือนเหมือนจักรการเยอะนก็ทำเองอาหารท่านอาจารย์ท่านมีเกิดบ้างไหมตึกนิดนิดหนึ่งนะไม่ได้ขึ้นมากมีนิดแต่มันจำมด้ไม่หรท่านบางทีเป็นลักษณะนั้นจัดการอแต่นิดนิดเท่านั้นพอพอให้เราจับเอาไว้ที่อยนานไม่ได้มากมา เวลาที่นาบุญนาไปพอไปเข้าใจนันโอ้ตายตายไปกราบท่านดัง่ง ท, ท, ท่านไปขอพระธารมทูตท่านอันนี้เป็นเรื่องของขันลักษณะที่มีลักษะอีเอแ อ, แ อ, แอมันมันเป็นเรื่องของขันอคิดดูที่ไฟไม่ไม่กอไผ่นั่นเสียงมัน ระเบิดต้องตั้งตั้งตั้งมันเกิดยังไงมันมีหัวใจไห่หรือโยนใบไม้สดเข้าไปในไฟเนี่ยเวลามันไม้มันงอนบิดนุ่นบิดนี่เหมือนมันมีหัวใจแล้วมันท่าขมันไหมเรื่องของขันกับจิตเอเรื่องของขันกับทุกเวทนาที่มันบีบบังคับกันมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกเวทนานั้นเป็นเหมือนไฟท่าเช่นตะไคร้ท่าที่กองลูปนี่ก็เหมือนกับฝืน เวลามันบิดมันบังคับมนเข้ามันก็มีลักษณะอาการหนึ่งบ้างเป็นธรรดาจิตท่านมีมาส่วนมาเกี่ยวข้องเลยลงถึงขั้นนั้นแล้วไม่มีทางเราเชื่อเอง ย, ยอมกราบท่านโโาท่านโอโอ้โหเราทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราขอกราบท่านดนันได้เห็นโทษเห็นขังจงแม้จะคิดต่อครูบาอาจารย์เพียนิดหนึ่งท่านนั่งกับตามแสดงว่าเป็นความผรึออกกดของตัวเองแท้ๆจงกรขอขมาโทท่านดังรากเลยห้อง ไปคิดเอาขันทั้งท่านไปใจคิดทั้งท่านเออมีปัญหารอะไรจะ ต, ตายแบบไหนก็ตายเลยตกต้นไม้ไปชนอุบัติเหตุแบบไหนก็แบบเถิดมันก็เรื่องของขันแตกธรรมดาความบริสุทธิ์ของใจก็คือความบริสุทธิ์อาหรนั่นก็คืออาหารไม่คิดใจอยู่ตลอดเวลาอาการรุกโหยแล้วจะไปได้ไปเสียอะไรกับเรื่องธาตุขันตายในเบื่อกันเบือต่างกันนั่นแหละเชื่อ ไม่มีางคอนเสิร์ตเชื่อใจนี้เนี่ยมันถึงเหมาะดีทํามันถึงความจริงแล้วมันเชื่ออะไรด้วยกันเท่านั้นเนี่ยไม่มีสะโตสะทานเหมนเต็มภูมิแล้นไม่มีสะโตสะทานสบายถึงเวลาที่จะพูดกติการหนักเบามากน้อยกับผู้ใดก็ตามก็พูดไปเสียมันพูดไปแล้วมันก็หายพร้อมๆๆๆไปเสีย ไมมีความอยากความหิ้วความหัวใจหายเลยรอยากเทศนาราการให้คนนั้นทําคนนี้ทําะไรอยากคิดประกาศศาสนาเงี้นี่มันบ้ามันเป็นไปตามเหตุตามผลเป็นตัวเองถ้าเพุทธเจามันมียื่องความอยากกับใครความอยากคือความบกพร่องที่อันนั้นมีความบกพร่องที่ไหนเป็นความเสมอตัวตลอดเวลาเมื่อเตือนตายยากด้วยเหตุด้วยผลที่ควรจะพูดหนับเบามากน้อยเท่าไหร่มันเป็นพรเองเมื่อจบอันนั้นแล้วหายเงียบไปเลยไม่มีอะไรมณ์กับสิ่งใดทั้ง เพราะนั้นจึงว่าไม่มีอาคตน่ะเพราะท่านไม่ยึดอะไรทั้งนั้นอดีตก็ไม่ยึดอนาคตของยึดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่จิดอะไรทั้งหมดนั่นฟังนี่สิไม่หลงอะไรมีพิการมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากอะไรท่านมาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตะพอนเป็นหลักสําคัญนีแรงงานนี้เป็นงานสาคัญงานชิ้นเอกของพระเราขอให้สนใจงานนั้นอย่าลืมงานนั้นจะลืมตัวไหนอย่าลืมงานนั้นงานนั้กับงานที่เจ้าทรงทรงเย ผมจะเป็นเอกข้างงานนี้สาวกเป็นเอกข้างงานนี้ไม่ใช่งานอื่นใดขอให้เป็นเอกนี่เอกผมเป็นห้องรูเพวกถ้าอยู่หลายปีหลายเดือนจะไม่ได้อะไรติดติดใจไปเลยอย่างพยายามแนะนำสั่งสอนม 2, 2. ผมถือเป็นรสำคัญกับข้า เห็นจนลํบาบากลำบนแค่ไหนประจมนิจใจผมไม่เคยต่างเหตุจากครจากเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยเราเห็นใจที่มาทั้งใกล้ทั้งไกลมาเพื่อเราเราจึงต้องคิดเพื่อท่านที่มาทั้งหลายให้สมดุลกันเหมาะสมกันพอทฤนาว่าการรวมสั่งสอนในเนี่ยในอันใดแล้วเราต้างสั่งสอนคือทุประการใดเราพูดการเหตุตามผลแต่เพื่อให้เข้าใจเพราะู่มามาด้วยความตั้งนใจ ย่อมโลกโลกลอียดแล้วย่องกระทบกระทวนจิตใจขึ้นการะกันนั้นนั้นมันเรื่องโลกแม้เขามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติผู้มุ่งต่อบต่อทําแล้วจะไม่มีเรื่องเหล่านี้เข้ามาอยู่ในใจเลยนอกจากเหตผลใครพูดคือพูดถูกประการณ์ยึดอาการหลักเหตุผลและเป็นพอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ขํามกันข้ามกันที่เหตุผลคือหลักธรรมไม่ยึดอารมนั้นต่างคนต่างมุ่งต่อบธรรมแล้วความอยู่ด้วยกันมันก็สัมมาเหมือนนวายวาเดียวกันใครพูด ไม่ได้ถือเลยถืออะไรถือประโยชนอ์นอะไรความถูกต้องมีอยู่เรามาหาความถูกต้องต้องยึดต่าความถูกต้องหรือที่ใครพูดออกมากาา็ตามใครแสดงที่ยักการอะไรมากาา็้วตามเมื่อถูกต้องแล้วยึดเอาเลยตรงนั้นเป็นเป็นจุดที่เหมาะสมเป็นจุดที่ถูกต้องสำหรับผู้มุ่งมาหาอาภัตธรรมในมุ่งมาหาพิสิมานนเพื่อสัง่งสมพิรลศกระทบกระเทือนที่มันจะการดั้งที่เห่นเสียงนี้นั่นอย่าให้มีลักษนะวแสนาบัตต์เพราะมันหยากเหลือะป่วยหยาบเกินกว่าที่จะทำรัก เร่งนั้นใหให้ดูตัวของนี่มันเกิดอิธิกรณจิตทัยในจิตใของให้แก้ตรงนี้อันนี้แหะเรื่องใหญ่ล้ำพันให้แก้ตรงนี้อย่าไปนั่งเกี่ยวข้องกับเทกก์เกิดกับผู้ใดที่มันเกี่ยวข้องกับตนกัพอแล้วให้แก้ตรงที่มันเกี่ยวข้องกับตนมันมีการเกี่ยวข้องกับทวกก์เับผูระหว่างที่เล่นกับทำทำมาแต่แค่เสม้ตติไม่ทันปัญญาไม่ทันวิริยไม่คิดไม่อ่านไม่ที่เจนาว่าตัวผิดวันหนึ่งวันโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดแล้วระหว่าง จิตนั่นแหลคือที่เด็กได้ชาละปฏิปัญญาไม่ทันอาให้ชันด้วยมันคิดเรื่องอะไรบ้างเราตามจอ่อู่าเวลามันจะไปไห น, น, อ, นอีจิมันยอมจะมนจะะวนเฮมันยอมจำนวนจนไ่้อาวัรญมญาอธิบายควรมันเพอพูดามันเล่นเสียงเข้าไปมีมี